เดากจายห้านัดยิงทีห้านัดนกโดดไปร้อยขนาดที่มันบินขึ้นเป็นฝูงใหญ่ๆตกลงมาก็หักคอสนุกสนานเมื่อเป็นเด็กเลยเราก็ต้องคอหกักที่เราไปหักคอนกมารับจา้างต้มตาก็โดนไฟลวกน้ำร้อนลวกสบาบนก็ย้ายไว้ละกอาจารยว่าไม่ได้เอาสถาบานให้ฟาผ่าพาซึกุตีเลย้าจวงจววอนไหมหมดเลยม่เหลือ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 จะได้เห็นบาปถ้าไปสร้างความดีจะเห็นเลยว่าเราเคยรักคัดตังสามีสามีเคยรักคัดตังเราต้องได้รับอนุญาตทั้งนั้นหากว่าโยมนั่งมีลูกผู้ชายจะหนี้มาบวชไม่ได้มีใครรับต้องได้รับอนุญาตจ า, ากบิดามารดากรถึงจะบวชให้ได้หรือลูกชายเป็นนักาดชะก็ต้องลาเดชะกันมาขอไปสมบท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 แล้วโยมนั่งอย่คุยอยย้มไม่เป็นไรเลยว้าเขแาแม่นไหมผาแม่นไหมผาาเราคนเดียวน่าจะโดนโยมมั่งก็ไม่ถูะคุณง่อกล่า้าผาไหมยาใช่นะโอโหปวดแสบกวร้อนเป็นตีหูตึงเลยพูดกันต้องเขียนหนังสือเนี่ยเลยบางทีเนี่ย หลังจากหายดีแล้วก็นางกรรมฐ า, านแผ่ให้จบ ก, กรรมใเวนบอกคุณยายต่อไปผมจะไม่โกหกผมจะไม่ลากตะตังหลอก น, นะไหนๆยายก็ตายไปแล้วเนาะมีสะบาลมัง้งไหมเนี่ยเคยสะบาลมัง้งไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีดีทานาฝนมาอัตามาเสียงฟ้าคืนคืนคน กองกระซิบบอกมีใครสบาบันไหมถ้ามีทำหาขอเจริญพรลาก่อนลาก่อนเลยคเค็ดเลยเดี๋ยวจะพาผิดตัวมาเอาเราเข้าสิแต่ฝ้านี่คงไม่ผิดนะหนีไปเนี่ยอ ง, งตามผพาใ น, น, นี่ ย, ย, ยอะจาไว้นะไม่ฟาเหนือฟาเหนืออดแข่งตามไม่้ต้องโดนฟาผ่านแต่จะสถาบานเนี่ยสู ง, งองเย้ยต้องคอยใจสาบานนะ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 สมาคมนายกสมาคมตจตีไทยนายพระลมลาที่มีประถังที่ปรึกษาเขาก็คือท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโุไทยเราเลีเ้ยงอาหารไปเลยเล่าเขาฟังบอกว่าจะมาไปเยียนช่างโอนที่บางรุธรงจะเรียนฟงโซพลไม่เลี้ยงพระคุณคุณแม่ของคุณผานิสเคยเลี้ยงข้าวเร า, มาเมื่อเราเป็นเด็ก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 กระบาดวงยอนอุลิ อ, อันาบันโป่งตายไปเนี้ยเลยมากับอธิบดีสอมพอรเสฟติธาอำนวยอินทพูติจะพาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใ น, นพระมลิขิตแล้วก็คุณรับพาดอวยชายอัตมาก็ได้ท่าวเนี้ยโยมชื่อไลน์นเนี้ยฉันชื่อคุณทุเนศได้มาด้วยสองปีเป็นคุยหญิงทุเนศพงษพจน เป็นธัญญาจันเลื่อนนาวาเอกเลื่อนใช่ไหมคงทพลบอกชาติเอาละดีแล้ววันนี้จะใช้นี่ยอมจํำอาตามาคงไม่ได้แตจะตามาไปเรียนช่างกลแล้วเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ตายถังคู่กระเบนตลังมาทุวัตเกตนี่แหละองค์เคมอเตอร์ไซค์แล้ ว, ลวเคยเคยดูมอเตอร์ไซค์ตายถังไหมในองค์นี้ขี่วัตเกตลังเรือนที่สอง ตอนนั้นจะงเปเด็กรุ่นรุ่คู่ก็ระเบอมตะหลังเคยได้ยินระเบอมตะหลังไหมมันจะยิงก็แล้วไปครับเนอะทําไมต้องเลิกไอ้เพื่อนทีมมนเตอร์ไซค์โคนบนถังตากถังนั่นเอาแบงส่ง ม, มาควา้าคว้าผิดพอาะค้าผิดรถเสียหลักเลยโดดถังตายเลยคอหาตายเลยเลยเราก็ถวายพระโคมลา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 เนก็เข้าไปดูระบำสลังนึกว่าเล่นยังไงแล้วนึกว่าเียนเลียงประชังทองเนาะแล้วก็คนดูนมันมีนมมีสาวเลยไม่มีเลยอย่รุมย้อม้เลยนมนมอย่างนี้รุ่นนี้งอกงอกรเลยต้องขอโทษเลยออกเลยไปโทรเลยลุงลุงหลังนี่าะบลุงอย่างนี้เหรอเออไอหลานนี่แหละระบำลุงอย่างนี้ได้เงินเยอะ ถุงอ่อเคยดูไหมสิงคโปร์ไม่มีเดีแล้วบามมันนะสิงคโปร์ไม่มีเนาะม่แต่เพศไทยเดี๋ยวนี่มีหางเครือ่องนะรู้จักหางเครื่องไหมเนี่อยู่สิงคโปร์ไหมอู่รู้จักหางเครื่องไหมที่ตูทายป้ายทรายมาเอาเตียอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหม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 หนักเข้าเดินตรงกลมนนแล้วน่ะแลวก็ะตมแลวกระชงตะไคร้เลยพลอยเบาหวานหายไปเลยเบาหวานก็หายด้วยแล้วก็กระดูกก็หายที่ว่าตรงเนี้ต้องไปผ่าต้องใส่ไอ้ อ, อ, อะไรพลาสติกเป็นลูกสบ้าแทนหายเลยกลับแขงขึ้นมาเดี้ยงอยู่เมื่อมาเชิญก็มาที่วัดห้าปีไปแล้วอาดูสามพันพ้าได้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 เคยไปรวดเบาหวานทุกสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนหมอบอกว่าเอ๊ะเบาหวานทำไมหายไปนี่อัตมาก็พูดมาพอสมควรแล้วบูชาตั้งใจน ะ, จะเจริญกรรมาฐานสวดมนต์เป็นนิจอันติฐานจิตเป็นประจาําโอหจิกรรมุงมก็แผ่ไม่ตาพอสบาย อ, อกสบายใจแล้วยมก็ตั้งใจแผ่ไม่ตาจะให้ใครแล้วก็บอกไปเลย